จริงๆแล้วกรรมฐานนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกถ้าเราจับเป้าหมายให้ได้นะเป้าหมายมันอันแรกเลยต้องฝึกไปรู้กายรู้ใจเพื่อว่าจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี้เป้าหมายแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าภาวนาให้มันฉีกแนวออกไปส่วนใหญ่จะชอบไปบังคับกายบังคับใจแทนที่เราจะภาวนาเพื่อให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา วางเป้าหมายให้ถูกก่อนเหมือนเราจะทําธุรกิจหรือเราจะทํางานอะไรต้องกําหนดวัตถุประสงค์กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนออบเจกตีเปาโกววัตถุประสงค์เนี่ยสูงสุดในทางศาสนาพุทธนะคือพ้นทุกต้องพ้นทุกจริงจริงนี่จะพ้นทุกได้ต้องไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเพราะกายกับใจคือตัวทุกขการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเนี่ยมีเป้าหมายแรก ข้อหมายแรกคือต้องละความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นตัวเราก่อนนี่เป็นเป็นจุดแรกเลยถ้าเรียนเรื่องทางยุทธศาสตร์หรือเรื่องการวางนโยบายวางแผนอะไรเงี้ยจะเข้าใจที่หลวงพ่อพูดง่ายคือวัตถุประสงค์สูงสุดเนี่ยพ้นทุกคือพ้นความยึดถือกายยึดถือใจได้วางกายวางใจได้เพราะกายกระใจเป็นตัวทุกข์นะ นี่ก่อนที่จะบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดอันนี้ได้เนี่ยเราต้องกําหนดเป้าเหมือนอย่างเราจะทําธุรกิจมุ่งกำไรสูงสุดจริงนะแต่แต่ละปีต้องมีเป้าว่าปีนี้จะเพิ่มยอดขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะขยายลูกค้าไปทางไหนต้องมีทิศทางการภาวนาก็ต้องมีทิศทางเหมือนกันไม่ใช่สเปสสปะตามบุญตามกรรมทําไปเห่อแล้ววันหนึ่งรู้เองรู้ได้เหมือนกันนะถ้าบารมีแก่กล้าพอ บาลามีไม่แก่กล้าพอนะก็คงคลําไปเรื่อยๆหลายภพหลายชาติเสียเวล่าเวลาจุดแรกที่เราต้องมุ่งไปนะละความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นเราคือลาสักยทิฏฐินั่นเองถ้าละสักยะทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันงันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยเป้าหมายแรกของเรานะในชีวิตนี้ต้องเป็นพระโสดาบันส่วนจะบรรลุวัตถุประสงค์สุดท้ายเป็นพระราหัน์ แล้พนทุกข์ถาวรหรือไม่เนี่ยถ้าเป้าหมายแรกไม่สำเร็จนะ่วัตถุประสงค์สุดท้ายนั้นก็ไม่สำเร็จงั้นเราอย่าเพิ่งสับสนอุปมานหลายคนภาวนาเนี่ยไร้ทิศทาง<ม>เช่นอยู่ๆก็มาถามหลวงพ่อนะจะละากามได้ยังไงละกามมันเรื่องของพระอนาคามีไม่ใช่เรื่องของเราหรือบางคนหนักข้ออีกนะ จะปล่อยวางจิตได้ยังไงจะเลิกยึดถือจิตได้ยังไงอันนั้นเอาไว้ให้คนที่เขาจะเป็นทารหันเขาว่ากันหรือบางคนก็มาถามหลวงพ่อทำอยังไงจะนั่งสมาธิได้นานๆไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งแล้วข้ามเวทนาได้ข้ามเวทนาได้ก็ไม่ใช่เป้าหมายแรกเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะได้นั่งได้นานๆไม่ปวดไม่เมื่อยร่างกายมีหน้าที่ปวดเมื่อย ไม่ใช่ไปนั่งให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยงนั้นถ้าตั้งเป้าหมายผิดนะการเดินทางจะผิดถ้าตั้งเป้าหมายถูกนะแล้ววิธีการถูกก็ไปถูกมีแค่เป้าหมายถูกแต่วิธีการผิดก็ใช้ไม่ได้อีกดงนั้นอันแรกเลยต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละสักยัตทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรา พราะฉะนั้นขอบเขตสโคบของการศึกษาศาสนาพุทธศึกษาอยู่ที่กายกับใจนี้จนละความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจเป็นตัวเราอยาให้ออกนอกกรอบนี้ออกนอกกรอบนอกสะคบอันนี้นะก็อ้อมค้อมเสียเวลาเวลาบางคนมาตั้งหน้าตั้งตานะจะมานั่งถกถแถลงทางปรัชยานะเ <c oughs> <laughs> มื่อวานก็มีดีว่าหลวงพ่อไม่ได้คุยด้วยเป็นบุญวาสนา จะมาชวนคุยนะสายโน้นว่าอย่างนี้สายนี้ว่ า, าง น, นต้องทำอย่างงนต้องทำอย่างนี้เสียเวลาเวลาแั่นั้นแรกนะต้องรู้นะเราจะต้องมารู้กายรู้ใจของเราจนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเป้าหมายนี้เป้าหมายนี้จะบรรลุได้ด้วยวิธีอะไรพูดถึงวิธีการวิธีการก็คือเราต้องมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจตัวเองรู้บ่อย รู้จนกระทั่งเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าหากออกนอกกรอบของการที่คอยรู้กายรู้ใจตัวเองตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายแรกที่จะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราหรืออย่างบางคนนั่งภาวนาทำยังไงใจจะไม่คิดทำาไงจะเลิกคิดได้ทําไงใจจะสงบ ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะกับการที่จะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเร า, างั้นอันแรกปรับทิฏฐิก่อนนะปรับทิฏฐิปรับความเห็นของเราให้ถูกตรงก่อนการฟังธรรมะนี่ก็เพื่อปรับให้เกิดสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติขณะนี้เรากำลังปรับสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติต่อไปเราจะหัดเจริญสติจนกระทั่งเราเกิดสัมมาทิฏฐิในภาคปฏิบัติส ม, มาทิฏฐิในภาคปฏิบัตินี่ ถึงจุดสุดท้ายนะัคือการรู้แจ้งอริยสัจถ้ารู้แจ้งอริยสัจได้นะจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จะข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทุกข์ถาวอนได้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่เป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงจริงๆริชีวิตของพระราหันที่ยังดำรงขันอยู่มันมีแต่ความสุขล้วนล้วนนะมันไม่น่าเชื่อจิตใจมันมีแต่ความสุขล้วนล้วนได้นี่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนี้นะต้องรู้ก่อนเราต้องรู้กายต้องรู้ใจ รู้ไปจนเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเรารู้ให้เห็นความจริงไม่ใช่ให้คิดเรื่องกายเรื่องใจนะการนั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ได้ให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้แต่ใจสงบชั่วครั้งชังช่วคราวต้องเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คิดเอาเองการคิดเอากับการเห็นความจริงนี่คน ล, ละเรื่องกันอย่างเราจะคิดนะว่าเราอย่างเก่งเนี้ยมันยังนหนุอ ย, อยู่ มันมีเมียเป็นนางงามจักรวาลคิดได้ใช่ไหมจริงจริงนางงามชาวกล้วยยังไม่ได้เลยอยังหามไม่ได้อะไรเงี้ยงั้นจริงๆกับเรื่องที่คิดเอานี่คนละเรื่องกันทำมิปัสสน า, านี่ต้องข้ามพ้นความคิดให้ได้ดูของจริงให้ได้นะดูลงมาจริงจริงเลยร่างกายนี้เป็นเราหรือไม่เป็นจิตใจนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นต้องเห็นของจริงเห็นของจริงก็ต้องไม่คิดเอาต้องรู้เอา รารรู้กับคิดเป็นศัตรูกันหลวงู ด, ดูลเคยสอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้นะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่หยุดคิดแล้วรู้หยุดคิดแล้วดูลงไปในกายนี้จริงๆเป็นยังไงจิตใจนี้จริงๆเป็นยังไงการรู้เนี่ยมันคล้ายๆเราทำตัวเป็นนักวิจัยเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยอย่าไปนั่งคิดเอาเองว่าคาตอบคืออะไร เราต้องไปดูว่าของจริงเป็นยังไงมั น, ะ น, นอย่างเราทําวิจัยนะทางศาสนาพุทธก็เป็นงานวิจัยนะท่านเรียกว่าธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยยักก็คือธรรมะวิจัยนั่นเอง a p p r o a c h ในการวิจัยเนี่ยพระเจ้าสอนมาก่อนฝรั่งอีกนะเราก็แตกตื่นไปเรียนของฝรั่งนะตื่นเต้นไเห็นมีอะไรเลยถ้าเข้าใจศาสนาพุทธจริงๆเลย a p p r o a c h ทั้งหลายนะไม่ได้หนีพ้นกรอบที่พระเจ้าสอนไว้เลย ให้เรารู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ให้คิดเอานะหลวงพ่อแต่ ก, ก่อนเคยยกตัวอย่างได้หลวงพ่อเป็นคนกรุงเทพเกิดในกรุงเทพนะโตอยู่ในกรุงเทพจนแก่อยู่ในกรุงเทพแล้วไปบวชอยู่เมืองการที่เมืองการเป็นท้องไร่ท้องนาที่ไปอยู่ทีแรกแล้วไปปลูกต้นไม้จนเป็นป่าขึ้นมาหลวงพ่อไปเห็นนกะนกเยอะแยะเลย เราคนกรุงเทพเรารู้จักแต่นกกระจอกนกที่ราบคนกรุงเทพกระจอกมากนะนกอื่นไม่มีะกระจอกเยอะกรุงเทพเหรืออย่างมากก็มีนกนางแอ่นมาเกาะสายไฟรู้อยู่ไม่กี่อย่างแล้วนกพอไปอยู่เมืองกาญฯเห็นนกเพียบเลยไม่รู้นกอะไรไปถามพวกช่างก่อสร้างว่านี่นกอะไรเนี่ยชื่อช่างแดงช่างแดงบอกนี่นกกะลิงฟังแล้วก็ว่างเปล่าเท่าเดิมเลยนะ นกกระลิงแม้ความรู้ที่เกิดจากการถามคนอื่นเขาเนี่ยได้แค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็มานั่งคิดเอานกนั่นหรือเปล่านกนี่หรือเปล่านี่ความรู้ที่เกิดจากการคิดเอาคิดเอาคิดเอาเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอีกเรื่องที่คิดเอาเองมันมีวิธีการศึกษาอีกชนิดหนึ่งคือการสังเกตการหลวงอแทนที่จะมานั่งคิดว่ามันเป็นนกอะไรนะไม่สนใจแล้วว่ามันชื่ออะไร หลวงพ่อก็ไปดูนกนี้มีพฤติกรรมยังไงอยู่ตัวเดียวอยู่เป็นคู่หรืออยู่เป็นฝูงอยู่กันยังไงกินอะไรอะไรเงี้ยมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งหลวงพ่อเป็นผู้เชี่ยวชาญนกกะลิงซึ่งจริงๆมันชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะงั้นการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ไปถามคนอื่นมานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเหมือนที่หลวงพ่อไปถามช่างแดงว่านกอะไรบอกนกกะลิง พวกเราฟังแล้วก็ว่างเปล่ามาฟังหลวงพ่อพูดนะหลว ง, นะงพ่อก็บอกรู้อริ ย, ยสัจสิเจริญสติปัฏฐานสิไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายจะตายไปของเราทาได้ไั้มมันยังไม่ได้ใช่ความรู้ที่ถามเข้ามานะใช้ไม่ได้ความรู้ที่อ่านมาใช้ไม่ได้จริงความรู้ที่คิดเอาเองใช้ไม่ได้จริงๆต้องเป็นความรู้ที่ลงมือสังเกตการทํทำตัวเป็น observer นะเป็นผู้สังเกตการ์คอยสังเกตที่ร่างกายนี้เป็นยังไง จริ ง, รงๆแล้วร่างกายเป็นตัวเราหรือไม่เป็นคอยสังเกตุทีจิตใจนี้เป็นยังไงเป็นตัวเราหรือไม่เป็นอย่างร่างกายเราสั่งอะไรมันได้จริงไหมย่งเรานั่งนะนั่งให้สบายเลยสั่งห้ามเมื่อยนะห้ามเมื่อยไม่ได้เห็นไหมความทุกข์บีบขันทนไม่ได้สั่งมันไม่ได้จริงห้ามหิวนะห้ามปวดอือ <recovery> ห้ามปวดฉี่นะสั่งอะไรไม่ได้สักอันหนึ่งคอยดูของจริงลงไปนะเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้จริงๆหรอก ไม่ใช่ไปนั่งกําหนดนะไปกําหนดลมหายใจกําหนดเท้ากําหนดท้องกําหนดมือกําหนดความเคลื่อนไหวกําหนดอิริยาบถอนะไรเนี่ยการเที่ยวไปไล่กําหนดจดจ้องไม่ใช่การตามดูแล้วมันเป็นการจับผิดทําตัวแค่ตามรู้ตามดูไปดูร่างกายเห็นมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไปเห็นมันเปลี่ยนอิริยาบถไปเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นไปเรื่อยๆเห็นมันหายใจออกเห็นมันหายใจเข้า ทำไมมันต้องหายใจก็เพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นให้ต้องหายใจเพราะไม่หายใจก็ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์ดูลงมานกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์อิริยาบถทุกๆการหายใจเข้าหายใจออกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนี่ค่อยเห็นความจริงหน่อยนะหรือเห็นในกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอก มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ําไปแล้วก็ขับถ่ายออกมาอีกอะไรเงี้ยเป็นแต่วัตถุเป็นแต่ก้อนธาตุนี่ดูของจริงๆลงไปเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนหรือบางคนภาวนาเห็นร่างกายเป็นโพรงเห็นเป็นถ้ำที่จิตอาศัยอยู่พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้แค่แค่วัตถุเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง ถ้าจะดูจิตดูใจนะก็ตามรู้ความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงไปจิตเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใครตามรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตใจของเราทํางานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็นึกเดี๋ยวก็ปรุงเดี๋ยวก็แตง่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ย ว, ยวร้ายนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ เนี่ยตามดูลงไปจนถึงจุดหนึ่งเลยเห็นในทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ตัวเราที่เราสั่งได้เลยเป็นแต่ธาตุแต่ขันล้วนล้วนเลยกายก็เป็นธาตุจิตใจก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นวิญญาณธาตุมโนธาตุอะไรพวกนี้ดูไปเลยเห็นไม่มีตัวเราเห็นละความเห็นผิดได้ได้โสดาบันตามรู้ตามดูต่อไปจนหมดความยึดถือกายนะได้พระอนาคามหมดความยึดถือจิตก็จบหลักสูตรในศาสนาพุทธแล้วมีชีวิต ที่เหลืออยู่อย่างคิดไม่ถึงเลยมีแต่ความสุขล้วนๆนี่แปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ